ขอความสุขความเจริญจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หมประโปิยานในวันนี้จะพูดถึงเรื่องสังโยชน์ที่พระ้บุคคลทันละได้ลดหลั่นกันลงไปสังโยชน์เหล่านั้นเป็นชื่อของกิเลส ท, ที่มันเป็นตะกรใจท่านบอ ก, บอกว่าผูกมัดจิตใจของสัตว์ทั้งหลายเอาไว้ โดยตามปกติแล้วเขาจะไม่เกิดขึ้นมากลุ่มรุมใจต่าบว่าไม่มีอะไรกระแทกหรือกระตุ้นรเร่งร้าให้มันเกิดแต่ว่าพอเกิดมาแล้วเนี่ยท่านจะเรียกชื่ออย่างอื่นเจนเรียกเป็นนิวรเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะเรียกนิวรบางครั้งก็เรียกความโลภความกำหนักความขัดเคืองความรุ่มหลง บางครั้งก็เรียกไปเรื่องของอุปกิเลสแต่ทั้งหมดเนี่ยที่จริงมันเป็นความเข้มข้นของกิเลสที่แตกต่างกันเพราะาเรามองสายของกิเลสเนี่ยผู้ราคากะกับโลภะคือกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหาเพียงแต่กิเลสประเภทราคะนั้นจะเน้นไปในทางเพศกิเลสประเภทโลภะเน้นไปทางพวกวัตถุกรรมทั้งหลาย คือสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้สูดดมได้ดิ้นได้จับต้องอาตามปกติแล้วก็จะแยกกันอธิบายเวลาทรงแสดงธรรมะแก่ชาวบ้านนั้นจะเน้นที่เรื่องโลภะเป็นเป็นพื้นนะฮะเวลาแสดงแก่พระก็จะเน้นราคะาเป็นพื้นซึ่งเป็นกิเลสประเภทเดียวกันแล้วก็ต่อไปก็คือเป็นกิเลสประเภทโทสะคือกิเลสประเภทผลักออก และกิเลสประเภทโมหะคือตัดสินใจอะไรไม่ได้ก็เรียกคล้ายๆก็อุ้มเอาไวออ้สิ่งที่เรียกว่าสังโยช์ก็ส่งย่อยออกไปเป็นสิบข้อทีนี้สิบข้อเนี่ยที่จริงก็ปรากฏในที่ต่างๆเรียงลำดับไม่ค่อยเหมือนกันหรอกแต่ว่าที่ท่านนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดสภาพจิตของพระญาบุคคลเนี่ยท่านก็เรียงเปชุดหนึ่ง ในส่วนอื่นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการพูดในฐานะที่มันเป็นกิเลสประเภทที่กลุ่มรุมใจคนเอาไว้ก็จะเรียกว่าเรียกว่าสังโยชน์ด้วยนะฮะบางทีก็อาจจะเรียกว่านุสัยเรียกชื่ออย่างอื่นแต่ว่าในส่วนที่ทรงเรียงเป็นสิบข้อนั้นเป็นการเรียงตามความหยาบากลางละเอียดของของกิเลสประเภทที่ละเอียดด้วยกัน หมายความว่าสัญญาณเนี่ยที่จริงมันเป็นกิเลสประเภทละเอียดแต่ในพวกที่ละเอียดด้วยกันเนี่ยก็ท่านเรียงก็เอาปร ะ, ประเภทโมหะไว้เป็นเบื้องต้นที่พระโสะดาบันละได้นะ เลยจะพูดว่าท่านละด้วยศีลที่สมบูรณ์สมาธิป ร, ประมาณปัญญาป ร, ปรมาณก็ได้ละโดยจิตที่สมบูรณ์ก็ได้แล้วละโดยปัญญาศรัทธาที่สมบูรณ์ก็ได้เพราะว่าพวกนี้ก็จะเกิดพร้อมกันในขณะที่ฝ่ายของสังโยชน์ได้ดับไปเนี่ยธรรมะสามปการเนี่ยฮะคือคือใสศีกกับศรัทธากับปัญญาเนี่ยก็เกิดด้วยกัน สัญญาณประเภทแรกเนี่ยก็คือสักกยะทิฏฐิคือความเห็นเป็นตือเป็นเหตุถือตัวถื้อตนมีตัวมีตนเป็นตัวเป็นตนนะครับเราอาจจะนึกถึงคําคำหนึ่งที่เราใช้ในสังคมเราก็คือศักศีแต่สักด์ศีของความเป็นคนศักดิ์ศีของอย่างนั้นศักศีของเศรษีสักศีของสุภาพบุรุษอะไรเนี่ยเราก็พูดถึงศักศีศัก์ศีก็ที่จริงก็เป็นลักษณะอัตตารู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตน แล้วก็บางครั่งบางคราวก็ถือยืดเยือ้อยาวนานบั่งกรได้สอบถามลูกศิษย์ที่เขาเป็นพระเนปานก็ เ, เป็นเชื้อสายพวกสักยะแล้วก็ถามว่าทุกวันเนี่ยก็ยังถือกันหรือเปล่าคือไปรู้มาจากอีกรูปหนึ่งเป็นพระเนปานด้วยกันว่าเนปานเนี่ยเขามีถือวันณะที่แปลงแล้วก็ปรากฏว่าพระกันเล่าว่า สกุลเขานี่จะถือแรงมากเพราะเป็นะกุลศักกาจะแต่งงานกันในเชื้อสายด้วยกันจนทุกวันเนี่ยนะเราจะเจนว่าสองพันกว่าปีแล้วสมัยก่อนพระพุทธเจ้าก็แต่งงานในเชื้อสายของตัวเองเริ่มต้นก็พี่สาวกับน้องม่จายพี่ชายกับน้องสาวแต่งงานกันแล้วก็ต่อมาก็ไข่สลับแต่งงานกันระหว่างสายสกุลของพี่สาวใหญ่กับ พี่น้องแปดคนนะฮะคือสี่คู่เนี่ยก็แต่งงานควายสลับกันเรื่อยเลยจนมาถึงยุคของพระพุทธเจ้าก็ยังมีลักษณะควายสลับอยู่หลังจากนั้นก็เป็นอย่างนั้นแต่ไม่น่าเชื่อว่าสองพันกว่าปีมาได้ยังไงแล้วก็ถือเข้มงวดมากเลยอันนี้ก็คือเรื่องของศักดิ์ศรีเพราะแนวศักดิ์ศรีเนี่ยบางครั้งมันจึงสอนไปในแนวกระตุ้นจิตสํานึกของบุคคล เช่นวัคติโยอหังอิติมโนมานะว่าเราเป็นกษัตริย์มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นกษัตริย์โดยกําเนิดจะต้องประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ฐานะของความเป็นกษัตริย์ในฐานะที่เป็นราชวงศ์วนนี้จะมีความระมัดระวังสูงที่จะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยให้ไปในทางที่ถูกที่ควรแล้วคนดานไม่มากนะฮะดันก็คุมกันมาได้ แต่เราต้องศักดิ์สิท์ในเรื่องอื่นๆเช่นพระเองเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าบังก็ใช้ในแนวสร้างตัวนี้คือสร้างเป็นจิตสํานึกขึ้นมาว่าเราเป็นสัมมนาอาการกิริยานใดที่เหมาะที่ควรแก่ความเป็นสัมมนาก็ต้องประพฤติกระทําในอาการกิริยานั้นแล้วเราก็ใช้กระจายไปในเรื่องอื่นได้นะฮะเช่นว่ามีความรู้สึกว่าเราเป็นสามีจะต้องเป็นให้ได้เป็นให้ดีเป็นให้เป็นแล้วก็เป็นให้ชอบเป็นทํานองของธรรม เป็นผู้นำของครอบครัวทีส่สามารถสร้างบ้านให้เป็นสวรรค์วิมานขึ้นมาได้เป็นต้นเนี่ยนะครับตอนแนวหนึ่งเนี่ยเราจึงเห็นว่ามานะนี่ใช้ไปในทางบวกเพราะว่าเป็นกิเลส ท, ที่ละเอียดมากมันขึ้นไปถึงโน้น น, นะคะัะขึ้นไปจนถึงว่าพระนาคามียัยงละเขาไม่ได้นะมานะที่มันละเอียดเนี่ยต้องระดับพระอาหารหันต์นั่นเองจึงละได้เพราะงั้น บางช่วงท่านก็สอนในแนวที่เป็นญาณพาณะเป็นเครื่องอาศัยขํามฟ้าขํามฝั่งนะระดับใดที่เรายังไม่ขึ้นฝั่งก็ต้องอาศัยก็ไปก่อนในแนวความเชื่อเหล่านี้มันไปเชื่อมโยงอยู่กับความเชื่อแนวพระเจ้าสร้างโลกแต่ว่าเป็นเรื่องแพรหลายกันในประเทศอินเดียนะฮะในสมัยนั้นก็ถือว่าชมปุตตวีดิแดนภาระตะวัตหรือถือว่าสรรพชีวิตเนี่ยเป็นหน่วยย่อยของพรามหรือพรหมัน แล้วก็คล้ายๆกัจิตเนี่ยมันก็ถูกแยกมาจากอัตมันใหญ่หรือมหาตามันหรือมหาตาเนี่ยตาใหญ่แยกแล้วก็มาสิงสถิตยอยู่ในร่างกายก็ทำให้จิตสูญเสียอิสรภาพฝันทานที่ดีที่สุดก็คือต้องทำลายร่างกายล้วความเร้นรอนก็กลายเป็นลทัทธิในการทรมานตัวเองเนีย แต่เนี่ยอัตาตัวตนตรงนี้มันไปให้ความสําคัญมากคืดมากคืดมันก็กลายเป็นอัตราที่ค่อนข้างลึกซึ้งแล้วก็ยากต่อการที่จะแยกกันะฮะก็มองปูุพันธุ์อยู่กับขันทั้งห้าประการขันห้านั้นคือรูปเป็นาสัญญาสังขารวิญญาณนะฮะและอัตราเนี่ยมันจะประกบอยู่ที่ขันห้าเนี่ยอย่างละสี่สี่ห้าก็ยี่สิบเพราะฉะนั้นก็ตั้งจาแนกเออ สักยติทิิความเห็นเป็นเอกือตัวถือตนเป็นตัวเป็นตนมีตัวเป็นตนเนี่ยนะครับไว้จาแนกก็ไปเป็นยี่สิบเราโดยสรุปก็คือว่าเห็นว่าตนเป็นขันห้าก็มีเห็นว่าขันห้าเป็นตนก็มีเห็นว่าตนมีอยู่ในกันห้าก็มีเห็นว่าขันห้ามีอยู่ในตนก็มีนะะแล้วก็ย่อยไปทางเวทนาสัญญาสังขารปิญญาณระกายเป็นยี่สิบทีนี้ความถือตัวถือตนเนี่ยเราจะ พบว่าถ้าอยู่ระดับสํานึกสำเนีกเป็นสัญญาเป็นจิตสํานึกเป็นมโนธรรมสํานึกที่มันเกิดขึ้นแล้วควบคุมจิตใจของเราให้คิดให้ทําให้พูดไปตามขันรองแห่งธรรมมันก็กลายเป็นเรื่องดีงามแต่ เ, เรื่องดีงามไปนะระดับชินธรรมจัญญาเนี่ยเราจะเห็นว่าคนเราจะต้องระมัดระวังชีวิตมันคล้ายๆกันเล่นละคร เล่นละครถึงบทตรงนี้แสดงอย่างนี้บทตรงนี้แสดงอย่างนี้บทตรงนี้แสดงอย่างนี้ก็ทําให้ได้แล้วก็ต้องมีความรู้สึกนะต้องอินกับบทตรงนี้ด้วยนะว่าเราเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทําให้ถูกให้ต้องในตามทส่วนแ ก, กน่กรณีดังนั้นซึ่งหมายความมาต้องเล่นบทละครตรงนี้ร่วมกันคือถ้าหากว่าไปเกิดสับสนในบทบาทที่พึง่งมีพึ่งเป็นเนี่ยนะมันไม่ได้อนะ่ะ เราเห็นภาพที่สวยงามสมเด็จพระพี่นางนะฮะคือถอนสายบัวประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนั้นก็คือบทบทที่ต้องแสดงอ่ะมาเป็นพระอนุชาก็ตามแหละแต่ว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ตนเองเป็นพี่สาวแต่ตอนนั้นก็คือเขาเฝ้าไปเจ้าแผ่นดินก็ต้องแสดงความเคารพเป็นภาพที่สวยมากอะทาให้เราเห็นวันเนี้ย คือการแสดงบทบาทเหล่านี้จะต้องแยกชัดเจนต้องดูตนเองให้ออกบอกตนเองให้ได้แล้วกระชายตนเองให้เป็นประเดนมันก็ใช้ได้ไปเรื่อ ย, อยมันแม่แนวของหิริโอตาปะเองนะฮะฮิริโอตปาอนะอตปะเองมันก็เกิดขึ้นจากแนวสํานึกสํานึกถึงตนเองสํานึกถึงครอบครัวสํานึกถึงวงศ์สกุลสํานึกถึงสถาบันการศึกษาสํานึกถึงอุปชยาอาจารย์สํานึกถึงวัดวารามก็แล้วแต่จะสํานึกกันไง คือสังมึกได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะมันจะเสริมให้เรารู้สึกว่าความเป็นของเราเนี่ยเป็นได้เป็นดีแล้วก็เป็นเป็นคือเข้าใจว่าตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้ตัวนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ฐานะที่เราเป็นพระโสดาบันนั้นท่านตัดได้ขาดเพราะฉะนั้นท่านจะไม่รู้สึกเป็นตัวเป็นตนหรือมีตัวมีตนอย่างที่ชาวโลกเขายึดถือ แต่เราก็คงจะตัดได้ยากหน่อยเพราะงั้นทำยังไงว่าเมื่อทําลายมันไม่ได้เนี่ยใช้สอยประโยชน์มันให้ได้ก็คือลดความเข้มข้นลงไปแล้วก็กลายเป็นจิตสํานึกเป็นสมณะสัญญาสํานึกว่าเราเป็นสมณะเป็นสามีสัญญาสํานึกว่าเราเป็นสามีเป็นกุลธิดากุลบุตรสํานึกว่าเราเป็นกุลบุตรกุลธิดาเป็นต้นเนี่ยฮะสํานึกเหล่าเนี้ยมันก็ช่วย ในการระมัดระวังในการควบคุมพฤติกรรมตัวเองไม่ให้แสดงออกมาในทางลบต่อตนเองต่อองค์กรต่อสกุลวงต่างๆและการต่อไปนั้นคือวิจิกิจฉาตัวนี้เป็นปัญหาค่อนข้างภูเขาคือควางแล้วบางครั้งบางคราวในเราสลดตัวๆวันก่อนที่เ่าออฟังในเรื่องฟังเทพนะฮะเกิดท่านพูดถึงสุวรรณ อยู่ที่ตาหูจมูกเลี่งกายใจนะฮะเบือที่จริงมันมีนะฮะพระพุทธภาสิทธิรับสังอย่างนั้นแต่ว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงรูปเสียงกลิ่นรสปุภะที่ประีต ธ, ธรรมรมที่ปรนะนีตก็ส่งแสดงไว้ เ, เยอะนะหลายไปสู่จนว่าพิสูจน์ทั้งหลาย เป็นลาบของเธอทั้งหลายแล้วเธอทั้งหลายได้ดีแล้วขณะเพื่อการอยู่ประพฤติปรมจันสวรรค์คือผัสสายตนิกะคือประกอบด้วยปัตสะทั้งหกนะทั้งหกก็คือสัมผัสทางตาทางหูทางจมงูกทางลิ้นทางกายเนี่ยอันเราได้เห็นแล้วในผัสสายตะนะยาตานิกะสวรรค์นั้น บุคคลจะเห็นรูปอะไรๆด้วยจกักษุก็ย่อมเห็นแต่รูปอันน่าปรารถนาน่าใครหน้าพอใจแม้เสียงกลิน่นรสปรตภาพธรรมารงก็ย่อมได้รับแต่สิ่งหน้าใครหน้าปรารถนาน่าพอใจเช่นเดียวกันอันนี้หมายความว่าการปฏิพระประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์แล้วก็ประพฤติปฏิบัติได้บริสุทธิ์หมดจดเนี่ยมันสร้างความประทับใจสร้างความเคารพชื่นชมให้แก่บุคคลที่ประสบพบเห็น นะคนที่พูดกับเราคนที่เกี่ยวข้องกับเราได้พบเห็นเราเนี่ยจะมีปฏิกิริยาในทางสร้างสรร์ในทางยอมรับนับถือยกย่องศรัทธานะพระก็สบายหูสบายใจสบายตาใน้พบเห็นเนี่ยที่จริงมันเป็นการยกตัวอย่างวันนี้เป็นอารมณ์ที่เลิศนะตามปกติแล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้อารมณ์เลิศหรอกแต่ว่าเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตัวเป็นคนดีเนี่ยจะได้อารมณ์เลิศคนก็จะเคารพนบนอกอ นอบน้อมต่อบุคคลเหล่านั้นแต่ว่าเนื้อหาสาระจริงๆเนี่ยมันก็อยู่ที่โน้นแหละมันก็อยู่ที่ปาลาโลกคือโลกอื่นทรงใช้คําว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์กืทรงใช้คํำมาอย่างนั้นแต่ว่าในส่วนของโลกมันก็มีนะฮะมีระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่สวรรค์โดยก็เาเรียกว่า น, นี้สวรรค์โดยสมมุติ แต่วสวรรค์จริงๆเนี่ยสวรรค์โดยการอุบัติแล้วก็ไปประสบเพืเห็นสิ่งที่สวยงามในสวงสวรรค์ท่านเหล่านั้นเหมือนกับหลับแล้วตื่นขึ้นเนยเพราะในการมองอะไรมันก็ต้องมองหลายๆตอนนะฮะแล้ตอนวันนี้คือปรยายเทศนาเป็นนยัยยะที่ต้องการจะสื่อสารกับผู้ฟังเนี่ยให้เขาเกิดความเข้าใจแต่ความเรียกรงสงสัยที่ค่อนข้างมีปัญหาใหญ่เนี่ยของเราที่จริงมันมีตั้งสิบ ตั้งแปดข้อนะฮะคืออย่าลืมว่าความสงสัยนั่นก็คือพวกอวิชานั่นแหละอวิชชาโมหะนั่นเองเอ่อถ้าเรารู้เราก็ไม่มีความสงสัยที่เราสงสัยก็เพราะเราไม่รู้หรือรู้ไม่ตลอดเนี่ยมันก็เกิดความสงสัยขึ้นมาไม่แน่ใจที่ค่อนข้างแรงแล้วก็มีปัญหาเนี่ยคือสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในไตรสิกขาสีนะฮะจะนึกออกว่าตรงเนี้ยพระโสดาบันท่านไม่มีความสงสัย ท่ามีศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจจิตขาแต่เราบังเกิดสงสัยสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจจิกขากลลกลรมุมกับปัจจุบันได้เพราะทำยังไงว่าส่วนหนึ่งก็ใช้เชื่อส่วนหนึ่งก็ใช้ปัญญาพิจารณาเอาแล้วเห็นคุณของพระพุทธเจ้าที่ใจเราเห็นคุณพระธรรมที่ใจเราเห็นคุณพระสงฆ์ที่ใจเราแล้วดูที่ใจเรามีพระคุณพระพุทธเจ้าไหมในขณะใดที่ใจมันมีปัญญา แสดงว่าเราสัมผัสพระพุทธคุณอ่ะในขณะได้ที่ใจบริสุทธิ์ก็แสดงว่าเราสัมผัสพระพุทธคุณแล้วในขณะได้ที่ใจมีความเมตตากรุณาต่อคนอื่นเราสัตว์อื่นก็แสดงว่าเราได้สัมผัสพระพุทธคุณแล้วเมื่อสัมผัสเราคุณคุณเหล่านั้นมันก็เป็นธรรมะก็ชื่อว่าสัมปัตติธรรมและคุณเหล่านั้นเองก็เกิดขึ้นแก่พระยส่งเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าเพียงแต่ว่าคุณภาพในไม่ทัดเทียมกันเท่านั้นเองก็ทําให้เราได้สัมผัสคุณของพระสงฆ์ แล้วก็แสดงว่าเราก็เดินไปตามบทปัญญาของใจสิกขานะครับเพราะว่าใจที่เข้ามาถึงตร ง, ตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องลดโมหะลงไปลดโมหะเมื่อโมอหะมันลดโลภะมันก็ลดโทสะมันก็ลดนะก็ทำให้ความจัดความเคลือบแคลงสงสัยในขุนวนจ้าของพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะ่ะลดน้อยถอยลงไปเคยตั้งข้อสังเกตว่าคนที่ศึกษาด้วยและประพฤติปฏิบัติด้วยเนี่ย จ ะ, จะไม่ค่อยวัวแหววจะไม่ค่อยบุ้งยากตั้งแงตั้งมุมกับพระพุทธเจ้าสงสัยอย่างนั้นสงสั ย, ย อ, ววอย่างโน้นว่างๆอย่างถามพระพุทธเจ้ามีจริงไหมอย่างเงี้ยมันก็ทารุณเกินไปนะนะมันทํายังไงถึงว่าบางบางอย่างเราก็ใช้ความเชื่อบางอย่างเราก็ใช้ปัญญาอย่างเวลาเนี้ยมันมีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่คนได้ไปสังเวยจนียฐาน ในพอเห็นคนบางคนเนี่ยไปซ้ำซากนะะไปแล้วไปอีกแล้วก็กก็<ๆ>็ๆๆรู้สึกว่า จ, จิตใจมันหนักแน่นขึ้นศรัทธาหนักแน่นขึ้ น, น, น, น, นในพระพุทธเจ้าก็มาถึงตรงนี้ก็ทําให้นึกถึงสมัยอมาไปศึกษาที่อินเดียเขาเขียนหนังสือมาลงพุทธธรรมนะเขียนจดหมายทีละห้าหน้าห้าหน้ามาลงพุทธธรรมผ่านบรรณาธิการคุณบุญปลอดวรชโยตตอนนี้ตายไปแล้วก็เด็กเข้าไปรวบรวมมาจากขอสมุดแห่งชาติ พระกฏว่าเป็นเอกสารหนาหนามากเลยก็ประมาณสักสามสี่ห้าร้อยหน้ามันเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมาศาสนาเล่านะฮะเล่าเล่าไปเรื่อ ย, อยแล้วก็จริงๆเนี่ยเล่าตั้งแต่ออกจากกรุงเทพจนไปถึงที่พุทธคยาอันนั่นเอง ย้อนประวัติศาสตร์ชมโภตวีปไปลิบลิเลยเอามาอ่านดูมันเป็นเนื้อหาทางวิชาการเป็นวิชาการก็ตั้งใจไว้ว่าจะทําเผยแพร่นะครว่เ า, าเป็นเล่มแต่ว่าเล่มมันใยญ่ะค่าพิมพ์คงจะแพงแเลยต้องยับยั้งใจไว้ก่อนแต่นึกว่าถ้าทิ้งก็เสียดายแต่ถ้าเผยแพร่เนี่ยก็ต้องเลือกเผยแพร่นะเลือกแจกไห้พิมพ์จำหน่ายคงไม่ได้หล้วแล้วก็พิมพ์ ก็เป็นอภินันตนาการแก่คนที่ก็สนใจจ่ศึกษาเรียนรู้มันไปเพิ่มพูนตรงนี้เพิ่มพูตนตอนอรัสาภาษาธะในประรัตนาไรัรพอเรานอกจากว่าศึกษาค้นคว้ามาแล้วเนี่ยเราไปเห็นเขียนตามที่เห็นด้วยนะเขียนตามที่อ่านเขียนตามที่รู้เรียบเรียงขึ้นมา ก็เป็นเอกสารเน้นึกดูมาไปศึกษาตั้งแต่หนึ่งห้านะฮะสองพันห้ารอยห้าร้อยสหห้าร้อยสิบห้าก็กลับมาหนึ่งเจ็ดเอกสารเหล่านี้ยังทันสมัยอยู่จนถึงทุกวันเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์เงี่มุมของประวัติศาสตร์อาศัยข้อมูลทางวิชาการต่างๆเป็นอย่างมากเมื่อเราอ่านแล้วเราก็นึกถึงขุนพระพุทธเจ้าก็เกิดสถาเรื่องใสนะก็เรียกว่า เพ่มพูนศรัทธาภาษาธรรมความเชื่อความเลื่อมใสแกผู้ที่ศึกษาทีนี้ถ้าเราสงสัยตรงนี้แล้วมันแกว้งเลยทีนี้ไม่สงสัยเรื่องชีวิตในอดีตเราเคยเกิดมาหรือไม่หรือว่าเราไม่เคยเกิดถ้าเกิดเป็นอะไระเกิดเป็นอย่างไรมีสุขมีทุกข์อย่างไรตายจากนั้นแล้วไปเกิดเป็นอะไรทีนี้มันคิดวุ่นเลยนะเพราะฉะนั้นจะสงสัยเรื่องอดีตสงสัยเรื่องอนาคต แต่อไปเราตายแล้วก็ต้องเกิดอีกไหมล้วเกิดจะไปเกิดที่ไหนทาไมจึงเกิดที่นั้นจะมีสุขมีทุกข์อย่างไรแล้วแต่เรก็ถามตัวเองไปเรื่ลยๆแล้ ว, ลวสงสัยหมดทั้งอดีตอนาคตจนถึงสงสัยในกฎของปัจจัยาการคือกฎของปฏิจจสมุปบาทพระอริยบุคคลระดับโสดบันเนี่ยท่านใช้ศรัทธานำก็ได้ใช้ปัญญานําก็ได้ท่านได้ข้าใจสงสัยในเรื่องเหล่านี้ วันถ้าท่านจะถามเรื่องสวรรค์เนี่ยท่านก็ไม่ได้ถามมรรสวรรค์มาอยู่ที่ไหนนะเป็นเรื่องที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งนะฮะพระยาบุงคนถ้าไม่ถามมรรสวรรค์อยู่ที่ไหนนรกอยู่ที่ไหนแต่ท่านถามว่าคนนั้นตายแล้วไปไหนนี่ท่านถามพระเจ้าบอกว่าเกิดสวรรค์จะดาวดึงจบแล้วไม่ถามว่าดาวดึงอยู่ที่ไหนอันนี้คือข้อที่น่าสังเกตนะฮะเพราะเช่นพระเจ้าพิมพิสารพระพุทธเจ้าก็รับสั่งเล่าพระอาจารย์อนุฟังนะว่านาตบินติกาเสตฐี ตายไปแล้วตอนนี้ก็ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรุดูที่สวรรค์ชั้นดาวดึงพระอนุก็ไม่กลับทูลถามว่าดวดาวดึงอยู่ที่ไหนหรือพูดถึงพระเจ้าพิพิสารที่พงคตไปแล้วก็พอพระไทยที่จะบังเกิดเป็นเทวดาชนะวะสภายักษ์ที่สวรรค์ชั้นจตุมาราชก็คนฟังก็ไม่ได้ถามว่าจาตุมาราชอยู่ที่ไหนอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่น่าสังเกตมากเลยนะเพราะคนสมัยนั้นในปฏิบัติบําเพ็ญเพียรทางจิตไปจนถึง เห็นสวรรค์เห็นนรกนะะจนมีความเชื่อมั่นที่ว่าเราไม่เคยพบเลยว่าไม่มีคนถามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสวรรค์ของนรกเรานั้นเพียงแต่ว่าท่านต้องการรู้ว่าทำกรรมอะไรจึงไปเกิดตรงนั้นทำกรรมอะไรจึงไปเกิดตรงนั้นทาไมจึงไปเกิดตรงนั้นอย่างพระเจ้าพิพิสารเนี่ย มันก็ไม่น่าจะไปเกิดเป็นยักษ์หรอกเพราะจริงๆนันเป็นประสดาบันนั่เลือกเกิดที่ไหนก็ได้สวรรค์หกชั้นเนี่ยท่านบอกว่าเพื่อนฝูงชอบๆกันเนี่ยยังอยู่ในที่นั้นมากเขาก็ต้องการให้ไปเกิดอยู่ด้วยกันเลยก็ไปกับเขาเขาก็ชวนนะฮะก็ชวนท่านก็ไปทั้งท่าน นี่ก็แสดงให้เห็นว่าคนสมัยนั้นจึงพูดง่ายนะครเพราะเขาไม่ตั้งประเด็นตั้งแง่ตั้ ง, ง, งมุมสวรรค์อยู่ที่ไหนไม่มีอะไระอะไรอะไรไปอ้างดวงจันทร์ดาวคางอะไรเนี่ยแต่คนสมัยนี้นะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไปจําขี้ปากคนอื่นก็มาพูดเฉยๆแต่พระเจ้ามีทิประจักรสูตนะฮะพระเจ้าทรงบรรลุสัพพัญญตาญาณทรงรู้เห็นแล้วก็ทรงแสดงเอาไว้ถึงเหตุแห่บังเกิดในสวนนรรค์เหตุแห่ตกในนรกมันก็คือการรับบาบปบาเพ็ญบุญทั้งกรรม แต่ถ้าเราสงสัยเราก็ชะงักฮะแล้วพอชะงักในกฎของปฏจากาิริยามันก็ชะงักในสังสารวัฏเพรากฎของปฏจากาิริยาที่จริงเนี่ยสายเกิดยังคือพูดเรื่องการเวทว่ายต่เกิดตามกระบวนการของเหตุปจัจจัยจะได้กิเลสมาวัดกรร ม, มวัดวิปากวัดนะฮะก็มีอยู่สามอย่างมีกิเลสกรรมวิบากก็หมุนกันอยู่อย่างเงี้ยหมุนไปวงเล็กวงใหญ่ก็ช่างมันแต่เราเน้นไปที่วงใหญ่นะะคือวงที่เป็นสังสารวัฏ แต่ว่าสายดับมันก็พูดถึงอาสวัคยานทือมันเกิดอาสวัคยานขึ้นมามันก็ดับพวกเหล่านี้ไปทั้งหมดเพราะปฏิจจสมบัติก็คืออริสัตย์ศีพระโสดาบันท่านรู้อริสัตย์ศีด้วยญาตเห็นไหมฮะท่านรู้อริสัตยีด้วยญาตแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์คือศีนั้สมบูรณ์ศีน่านสมบูรณ์สมาธิพอ ป, ประมาณปัญญาพอประมาณ ฟังท่านก็ไม่เครียดแกร่งสงสัยในปฏิจจสมบัติแต่ปฏิจจสมบัติเป็นเรื่องค่อนข้างยาวนะฮะอย่างที่บรรยายไว้ในตอนตอนตอน้ตนที่ปูถึงเนื่องตัจะรู้นะฮะก็เคยให้นายะที่พิสดารนานประหงควรทีนี้ศีลปตรรมาคือการถือมั่นโดยศีลด้วยวัดโดยข้อปฏิบัติี่งงม ง, งายได้ผลต่างเนี่ย อย่าน้อยที่สุดเนี่ยอยู่อย่างมีเหตุมีผลมีสติปัญญาอย่าไปถึงกับงมงายไร้เหตุผลมากเกินไปก็ดีมากแล้วทุกฝัง่งทั้งหลายแต่หลวโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเป็นตอนนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอ ง, งามไปบุญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี